เห็นว่าโหสินข้อนี้พากันผิดกันเป็นปกติเลยเป็นอัธยาศัยเลยก็คือข้อดื่มสุราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายด้วยเนาะะถือว่าเป็นความถูกต้องด้วยกินเลี้ยงที่ไหนถ้ามีการดื่มสุราและเมรยัยที่นั่นก็ถือว่าเป็นความถูกต้องแต่ถ้าไม่มีสุราและเมรัยเป็นต้นนี่ก็เชื่อว่าไม่ค่อยถูกเหมือนกันเนาะมันขาดไปท่าย่างหนึ่งเป็นค่านิยมซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยอมรับไปแล้ว แต่ว่าเวลามันให้ผลเนี่ยแม่มันไม่สนุกเลยคือเหตุร้ายๆอย่างที่ที่สัตว์ทั้งหลายประพฤติกันอยู่นะซึ่งมันให้ผลเจ็บแสบปวดร้อนซึ่งไม่สํานึกก็มีมากอย่างเช่นพวกยาเสพติดอย่างเงี้ยยาบ้าเนี่ยมันมันให้ผลเนี่ยเจ็บแสบปวดร้อนมากจากประสบการณ์ที่ที่เคยรู้จักหลายคนอนี่ยนะเขามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าไปเสพยาบ้ามาบางคนก็ติดเป็นสิบสิบเม็ดเลยวันหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยหายใจหายหายใจก็เฮิร์ตหนึ่งร้อยกว่า บ, บาทเฮิร์ตหนึ่งร้อยกว่า บ, บาทวันหนึ่งสิบกว่าเม็ดพันกว่า บ, บาทนทีนี้มันเป็นวันหนึ่งเป็นสิบสิบเม็ดเนี่ยเม็ดละร้อยกว่าบาทนี่โหวเวลาไม่มีอ่ะทาําไงอะไม่มีนี่บางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยบางคนเนี่ยเส้นกว่าจะออกได้เนี่ยหงุดงิดแล้วแล้วก็ในยาบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มีสารยาฆ่ า, มาแมลง ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่มีโทษทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนหนึ่งก็บอกว่าน้ำยาที่ที่ที่มีโทษทุกนะร้ายแรงอ่ะเอาไปเสพเอาไปดมเข้าเมื่อโทษเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันทรมารแต่ตอนที่เสพเนี่ยมันก็พลันดีเหมือนกันเขาว่างั้นมันก็พลนมันก็สนุกไปนี่คือในระดับธรรมดาทั่วไปในสารที่มันมีโทษ แต่การผิดศีลผิดธรรมอย่างเช่นดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นเนี่ยมันมีโทษซึ่งมันโทษมันไม่ได้อยู่แค่ชาตินี้ชาติเดียวภพนี้ภพเดียวนะมันเป็นไปเพื่อภพจะ ต, ต่อไปอีกตั้งมากมายอันมาดูนะว่าสุราเมรยะมะชะปะมาทฐานาเวรมณีศิขาประทางสมาธิยามีเนี่ยามาศึกษาเรื่องศีลข้อนี้ดูแต่ส่วนหนึ่งของเราที่มาที่นี่เนี่ยศีลข้อนี้สบายเลยนะ แต่ถ้าไปบางแห่งเนี่ยโหจับหัวแทบไม่ผิดเลยมันกลาเป็นค่านิยมเลยอ่ะ <c oughs> ทีนี้สุรานี่มีอยู่ห้าอย่างนะสุราห้าอย่างก็คือสุราที่ทำด้วยแป้งสุราที่ทำด้วยขนมสุราที่ทำด้วยข้าวสุกสุราที่เติมด้วยสาเล่าสุราที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงพวกั้นใ น, นตะกูลสุราทั้งหลายแลแล้วก็ตะกูลของหมักดองอีกข้าอย่าง ของหมักดองก็เช่นเครื่องดองที่ทำด้วยดอกไม้นะเอาดอกไม้มามาหมักทำเป็นของดองเนี่ยนะนะเครื่องดองที่ทำด้วยผลไม้เช่นองุ่นเนี่ยใช่ไหมองุ่นเนี่ยเขาเอามาหมักทำนั่นแหละแล้วก็เขาทำด้วยน้ำผึ้งก็มนะีหรือว่าบางทีก็ทำด้วยน้ ำ, อ, อ, อ, นำอ้อยงอบอ่ะนะเรียกว่าน้ำตาลเอาน้ำตาลเนี่ยมาทำ แล้วก็เครื่องดองที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงแม้ทั้งสองอย่างนั้นคือสุราและเมรเพราะนั้นของทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าสุราสุรามไรทั้งนั้นเลยสุรามระยะเนี่ยน ะ, ะระยะระยะเนี่ยไทยเนี่ยมาแปลผิดเพี้ยนไปคนที่จะกินเหล้าก็บอกว่ากินเป็นระยะระยะเขาว่าไงาระยะตัวนี้มาจากไรเมรัยะเมระยะก็คือเมรนั่นเอง นี่ก็เอารายมาเป็นระยะเขาเลยถูกต้องเลยนะจะเพี้ยนเพื่อที่จะกินให้ได้เขากินเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆเขาบอกงั้นช่วงเขาาง้เขาพันษาก็ไม่กินออกพัรรตนี่ก็กินบางคนเนี่ยอดได้นะเข้าพรรตนี่สามเดือนเนี่ยเป๊ะเลยออกพรรษามานะเก้าเดือนนี่มเมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าคในเมืองส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินเหล้าแบบถ้าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย มันจะมีสภายอยู่สภาเหมือนกันนะก่อนไปทำงานก็มาตั้งกลงกันดั้งวงกันนะขาเย็นๆก็ตั้งวงอีกรอบนนะึวันละสองรอบสองรอบมันผิดศีลอยู่ตลอดเลยคือไม่เคยมองว่าสิ่งนั้นเป็นโทษนะกลับมองว่ามันเป็นความสุขก็ได้ยินนะกรรมบางอย่างในขณะที่ทำเนี่ยสุขแต่ให้ผลเป็นทุกข์กรรมบางอย่างในขณะที่ทำก็เป็น ทุแต่ให้ผลเป็นทุกข์ด้วยกรรมบางอย่างให้ขณะที่ทําก็เป็นสุขแต่ว่าให้ผลเป็นทุกข์กรรมบางอย่างก็ขณะที่ทําก็เป็นสุขก็ให้ผลเป็นสุขด้วยกรรมที่เป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์ก็คือกรรมประเภทปาณาติบาตการเข็นการฆ่าเป็นต้นเนี่ยทำก็เป็นทุกข์และผลของการกระทําเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ด้วย กรรมบางอย่างเนี่ยขณะที่ทํานั้นเป็นสุขแต่ให้ผลเป็นทุกข์ก็คือการดื่มสุราเป็นต้นเนี่ยนะขณะที่ทําเนี่ยสนุกจริงๆเพลันเนี่ยแต่เวลาผลของมันเนี่ยทุกข์กรรมบางอย่างขณะที่ทํานั้นเป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นสุขอกรรมนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าขณะที่ทําเนี่ยทุกข์เหลือเกินเขาบอกงั้นแต่ให้ผลเป็นความสุข ใ, ในคัมภีร์ท่านเล่าถึงว่าพระบางองค์ซึ่ง ไม่ไม่เต็มใจบวชมากนกักอ่ะนะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่ากิเลสมีกําลังโลพาโทสะโมหะมีกําลังมากไม่อยากบวชเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ต้องจําใจบวชเ้าเรียกว่างั้นนะเห็นโทษก็เลยต้องสู้บวชไปอย่างนั้นนะอ่ะเขาเรียกว่าบวชทั้งน้ําตาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ําตาเรียกว่ากิเลสมันได้กําลังอ่ะนะนได้ช่องร้องไห้ไปแต่ก็ทนบวชไปอย่างนั้นอนะ่ะอันนี้เขาเรียกว่า ขณะที่ทำเนี่ยเป็นทุกข์แต่ก็ให้ผลเป็นเป็นความสุขแต่บางโซนก็ขณะที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสุขด้วยก็คือผู้ที่ปฏิบัติจนได้ชาญเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าขณะที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสุขทำก็เป็นสุขแล้วก็ผลแห่งการกระทําเหล่านั้นก็ก็เป็นสุขด้วยนั่นเดิมเล่าเมายาเป็นต้นนั้นก็คือขณะที่ทําส่วนใหญ่ก็เป็นสุขแต่ว่าผลของมันนั้นเป็นเป็นความทุกข์ ไอ้คําว่ามัชชะนี้เพ่ออัฏฐาว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาทั้งสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเมาเจตนาที่เป็นเหตุดื่มนะ้ําเมานั้น ช, ชื่อว่าประมาทฐานะเพราะเป็นเหตุแห่งความประมาทประมาท่นี้แปลว่าประมาทฐานะนี้ก็คือแปลว่าเป็นเหตุเหตุฐานะแปลว่าเหตุหรือที่ตั้งก็ได้ดังั้นการดื่มสุราและเมรัยนั้นก็คือเจตนาที่ดื่ม เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทแต่โดยลักษณะเจตนาที่ประมาทอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยสา ม, มารถแห่งความมึนเมาเริ่มแต่เชื่อน้าเมากล่าวคือสุราเมาีไรตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าสุรามีระยะมัชชะประมาทฐานก็คือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มสุราและเมรยัย ทีนี้ก็เออถ้าถ้าในร ะ, ระดับกฎหมายก็คือดื่มเหล้าถ้ามันแรงมากขับรถใช่ไหมประสบอุบัติเหตุบ่อยเขามีการตรวจแอลกอฮอล์เขาบอกกันให้ให้ไปพูดหน้าไอ้เครื่องเครื่องวัดอนะนะเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ถ้ามันเกินเขาก็ปรับคว <c oughs> ามีอันนั้นแบบเครียกว่าการอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ถ้าในระดับกุศลอากุศลแล้วปัญหาด้านนี้จริงๆแล้วคนไม่ค่อยมองว่ามันเป็นสาระเท่าไห ร, ร่นักหรอก ในการผิดศีลนั้นข้อสุราและเมรัยนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างด้วยกันก็คือหนะึ่งะมัชชะาโวความเป็นของเมาปาตุกรรมยตาจิตตังจิตคิดจะดื่มตัชโชวายาโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้นอัชโชหรนังกลืนให้ล่วงลงในลำคอนะองค์สี่อย่างนี้ก็ถือว่าผิดละ ก็ภาวะที่สุราเมระยะมชปะปมาทฐานนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวเพราะเขาดื่มด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างเดียวนะถ้าหากว่าดื่มด้วยจิตที่เป็นอกุศลนั้นก็ชื่อว่ามีโทษแต่ถ้าหากว่าจะดื่มดื่มเป็นยาได้ไหมในวินัยพระกล่าวว่าเอาสุรานะถ้าประกอบประกอบเป็นยาก็ต้องไม่มีสีของสุราต้องไม่มีกลิ่นของ สุราหลงเหลืออยู่นั่นแหละใช้ได้นะก็คือเอามาประกอบเป็นยาได้แต่ว่าต้องไม่มีข้อแม้ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นนั่นะกนั่นแหละ น, น, น, น่าจะได้อย่างเช่นย า, าธาตุเนี่ยใช่ไหมย า, าธาตุก็ไม่มีสีของของสุราแล้วก็ไม่มีกลิ่นของสุราใช่ไหมเพราะย า, าธาตุก็มีมีแอลกอฮอล์ด้วยใช่หม เขาจะมีนะยาทาคั่งๆก็จะบอกว่ามีแอลกอฮอล์ผส ม, มอยู่ด้วยกี่เปอร์นเซนต์อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าสุรานั้นจะไม่ไหลเข้าไปในปากของพระอริยสาวกทั้งหลาย<ม><ม>ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าวัตถุ ค, คือนา้าเมาจะป่วยกล่าวไปลยายถึงที่รู้อยู่นะถ้าเป็นพระโสดาบานแล้วเนี่ ย, <c oughs> ยเรียกว่าเอาเหล้ากรอกเข้าไปยังไงก็ต้องแปลเป็นน้ําไปก่อนแล้วจึงจะล่วงลําคอไปอันพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยอย่างมั่นคงจริงๆ การดื่มน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็มีโทษน้อยการดื่มน้ำเมาเพียงครึ่งอลหะกะอลหะกะก็คือประมาณประมาณแล่งหนึ่งอะนะก็คือถ้าจิบมันก็มีโทษน้อยกว่ากงอะเนกะกงก็มีโทษน้อยกับแบนอะแบนก็มีโทษน้อยกว่ากลมอะกลมก็มีโทษน้อยกว่าหลายหลายกลมอย่างเงี้ยโทษไปตามนั่นอะนะก็โทษมากก็ตามแต่การดื่มเข้าไป เมื่อดิ่มน้ำเมามากแล้วยังสา ม, มารถให้กายเคลื่อนไหวไปทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นมีโทษมากทีเดียวส่วนในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะพวกกลุ่มที่ที่กินเหล้าเนี่ยพอกินแรกๆก็เมาได้พอเมาระดับหนึ่งเอไม่มีกลับแก้มแนละ้วก็คิดนะอาทินนาทาน อ, อะไรมันต่อไปสีลเรื่องอื่นๆเยอะดังั้นการดื่มสุรามอย่างเดียวนี่นะศสีลข้อหนึ่งก็ผิดง่าย พินข้อสองก็ผิดง่ายผิณข้อสามก็ผิดง่ายแล้วก็ข้อสเนี่ยนะมันนั่งโกหกกันทั้งนั้นแหละในวงเล่าอ่ะเรื่องจริงมีน้อยมากเนีเรื่องไม่จริงถ้าส่วนใหญ่หนางคนก็พร่ำบางทีวนอยู่สามรอบแล้วเรื่องเต่าเลยแหละมันทั้งเรียกว่าอากุศลธรรมนะกายกรรมวัจีกรรมเนี่ยอยู่ที่วงเล่าเกือบหมดเลยความชั่วทั้งร้ายแหล่อยู่ที่นั่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย พระ อ, องค์จึงกล่าวว่าสุราและเมรัยเนี่ยเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาสุราเมรยะมัชชะประมาทฐานาเวรามาณีนะไม่ต้องอธิบายมากก็ได้นะเพราะเราไม่ใช่ประเภทนั้นอยู่แล้วเนาะก็มาดูอา น, นิสงส์ท่าเว้นจากศีลข้อ น, นี้จะได้รับผลอย่างไรบ้างอย่าลืมนะศีลส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการ สมาทานปกติไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วถ้าไม่สมาทานก็ไม่ใช่กุศลศีลใช่ไหมเพราะว่าศีลส่วนหนึ่งก็อาศัยการสมาทานด้วยนะแต่ถ้าสมาทานศีลข้อนี้รักษาศีลข้อนี้ดีจะได้รับผล24อย่างอย่างเช่นหนึ่งอติตานาคตะปัจจุบันเนสุกิจจกรณิเยสุอั ป, ปมาทตาความเป็นผู้ไม่ประมาทในกิจและกรณียกิจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ดีทำให้มีความไม่ประมาทสูงมากไม่ประมาทก็คือเป็นคนรอบครอบนั่นเองนะรอบครอบในกิจการงานทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้าผู้ที่ดื่มเหล้ามากๆนะเป็นคนที่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายแล้วเป็นคนที่ไม่รอบครอบอนะแล้วข้อสองก็คือญาณวันตาความเป็นผู้มียาณ แสดงว่ามีปัญญาดีสสัทธาอุปติปตติตาเนี่ยนะก็คือความเป็นผู้มีสติปรากฏทุกเมื่อก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่หลงลืมใช่ไหมลักษณะของมีสตินี่เป็นอย่างไรสตินี่ก็คือความไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายนั่นเองไม่ประมาทในการเจริญกุศลแล้วก็ไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยให้อกุศ ล, ลจิตเกิด คือถ้าสติเกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยได้ว่านี้มีโทษนี้ไม่มีโทษถ้าลักษณะของสติจะเป็นลักษณะนั้นท่านจึงอุปมาสติเหมือนกับขุนคลังผู้รักษาทรัพย์ให้พระราชาคือรู้ได้ว่าเออซั์เท่านี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์แบบนี้ซัพย์จะเสียไปถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยซับจะเพิ่มขึ้นอันนี้ทรัพย์ของพระราชานี้เป็นส่วนเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถทลนาได้ทั้งหมดสติเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนการสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็น ซั์อะไรไม่ใช่ทรัพย์ทรัพย์ภายนอกรู้กันแล้วนะเออซั์ภายในมีอะไรบ้างสตินี้เกิดขึ้นจะทําให้รู้ทรัพย์ภายในทซั์ภายในคือซัพย์คือศรัทธาเป็นต้นใช่ไหมถ้ามีสติจริงๆอ่ะสติจะช่วยทําให้รักษาทรัพย์คือศรัทธาซัพย์คือศีลซัพย์คือสุตะซั์คือฮิริโอตปะซั์เตอจาคะและก็ปัญญานะถ้าคนที่มีสติก็สามารถที่จะ พกพูนหรือว่ารักษาอริยทรัพย์เหล่านี้ไว้ได้ในขณะเดียวกันก็สแสวงหาทรัพย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปนะว่าอั ป, ปเนสุกิจจกรณีเยสุสัพพานสัพพธธานนุปปติกะปฏิพาณวันตาความเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกิจและกรณียกิจเกิดขึ้น ในข้อนี้ก็คือเป็นคนที่ฉลาดว่องไวสา ม, มารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดนะ้คือในอย่างข้อหนึ่งก็คือสา ม, มารถที่จะคำคำนวณปัญหาออกทั้งหมดแต่ว่าอย่างในข้อสี่ก็คือสา ม, มารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะสา ม, มารถที่จะมองปัญหาออกสา ม, มารถที่จะแก้ปัญหาในขณะนั้นนั้นไดนะ้ถ้าไม่เมาอ่ะนะแต่ถ้าเมาแล้วก็โอ้ยเรียกว่ลาลาบสังขาวยังจะลาบไม่ไหวเลยอ่ะ แล้วต่อไปนะอนาณาลัสตาความเป็นผู้ไม่เกียจคร้านคนเมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกเกียจคร้านเนี่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยตอนไม่เมาเนี่ย โ, โหรีบไปทํางานหน้าด้วยเลยนะเข้าไปโกงเดียวแค่นั้นเออไว้ก่อนมันไม่จําเป็นเท่าไหร่แบบนั้นมันก็ผัดไปเรื่อยผลัดวันประกันพรุ่งเพราะฉะนั้นดื่มสุราเมรัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกียจคร้านแต่ถ้าไม่ดื่มก็อันนี้สองก็คือทําให้เป็นคนไม่ขี้เกียจแล้วก็หกอาชัลตา ความเป็นผู้ไม่โง่เขลานะแล้วก็อมูคาตาความเป็นผู้ไม่บ้าใบา้ตรงนี้แจ๋วนะแสดงว่าเห็นคนบ้าบ้าก็เหตุส่วนหนึ่งทำไม่ดีไว้ทาไม่เดิมซะอย่างเนี่ยโหอันนี้สองเพียบเลยนะถ้าเกิดมาสมมตินนะคนทุกวันนี้นะส่วนใหญ่เวลาให้ทานนี่จะเมาด้วยคือถ้าเมาเนี่ยนะอันนี้สองต้องการเมาก็คือทำให้เกิดเป็นคน บ้าใบ้เป็นต้นบ้าด้วยโง่ด้วยใบ้าด้วยแต่ว่าให้ทานเป็นเหตุให้เกิดรวยใช่ไหมถ้าเป็นบ้าแล้วแต่รวยเนี่ยเอาไหมไม่บ้าก็ไม่เป็นไรนะไม่ถึงจะรวยก็อยู่ได้แล้วบ้าแล้วรวยไม่น่าสนใจเลยนะเพราะฉะนั้นศี้นเะส้นห้าเนี่ยนะเส้นห้าเนี่ยเป็น ธรรมะที่มีคุณคุณธรรมสูงมากเป็นธรรมะที่มีคุณมากถ้าหากว่าคนที่มีศีลห้าดีนะเวลาให้ทานทานอ น, นั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมากเมียนิสงมากแต่ถ้าหากว่าผิดศีลทั้งห้าข้อนะเวลาให้ทานทานนั้นจะมีผลน้อยเช่นเป็นคนฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแล้วให้ทานให้ทานนี่เป็นเหตุให้รวยเกิดมารวยแต่อายุสั้นดีไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอะนะ่ะเนาะหรือถ้า ผิดศีลข้อสองเนี่ยทําให้ทรัพย์สินเสียหายให้ทานแต่ว่าร่ํารวยพอมีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้มีรถรถก็เจ๊งอย่างเงี้ยไม่น่าสนใจอีกนะหรือว่าผิดศีลข้อสามบ่อยๆศัตรูเยอะอย่างเงี้ยเป็นคนมีฐานะดีแต่โอ้โหไปที่ไหนเนี่ยกราะคุ้มกันหมดเลยนะเสื้อแต่ละตัวนี่ต้องการ ก, กระสุนได้องไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นอาการผิดศีลผิดธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษมากมายมหาศาลนะียต่อไปนะว่า อาชาัำพิตาก็คือความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งนะคนเมาบางทีเนี่ยสะดุ้งกลัวถ้ามเมาประเภทยาบ้าด้วยนะผมกลัวทั้งคืนเลยมยีครั้งหนึ่งคนรู้จักการคนหนึ่งเขาเขาเมายาบ้าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมีคนจะปองร้ายผมทั้งคืนเนะี่ยหลับไม่นอนหรอกสะดุ้งอยู่ตลอดเลยแล้วก็อันนี้สองข้อนี้ทําให้เป็นผู้ไม่มีการแข่งดี ไม่มีการแข่งดีแข่งดีก็ลักษณะนาวโอมจะแค่ไหนเชียวอนะคือคนเมาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะแข่งดีมันจะเท่าไรเชียวพังเงนแล้วต่อไปนะความเป็นผู้ไม่มีความริษยารักษาศีลข้อนี้ดีก็ทําให้ไม่ริษยาจนเกินไปแล้วก็อมัชชิตาก็คือเป็นผู้ไม่ตะนีรักษาศีล น, นี้ดีก็ทําให้ไม่รู้ไม่ตะนีแล้วก็สัจจาวาทิตาเป็นผู้มีปกติกล่าวคําสัตย์ เมาแล้วโหรับปากอะไรนะักกันไ่รนเตื่นขึ้นมานี่จำไม่ได้สักอย่างเฉะนั้ น, นผู้ที่รักษาศีลข้อดื่มสุราดีจะทำให้รักษาวาจาดีด้วยแล้วก็สิบสามอปิสุณะอพรุสะอสัมพลาปะปวาาทตาความเป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อนะก็คือคนเมาเนี่ยนะส่อเสียดเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันก็อยู่ในวงนั่นแหละ คำหยาบก็อยู่ในวงนั้นอีกนั่นแหละเพอเจอร์ก็อยู่ในในที่นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีอัธยาศัยในการกล่าววาจีทุจริตนะทั้งสี่ประการแล้วก็ต่อไปนะรักษาศีลข้อนี้ดีทำให้เป็นคนกระตันยูตาก็คือกระตันยูกระตะนี้แปลว่าทำไว้แล้วยูนี่แปลว่ารู้นะ ก็คือกตันยูก็คือรู้ถึงสิ่งที่บุคคลอื่นเขาก็ททำไว้แล้วก็ตนก็คือกะตันยูอ่ะนะไทยก็คุ้นกันดีอยู่แล้วอะ่ะกะตันยูต่อไปนะกะตะเวทิตาก็คือกะตะเวทีแปลว่ากระทาตอบนั่นเองกะตันยูกะตะเวทีก็คือสามารถที่จะทำตอบได้ต่อไปนะโพคาวันตาตาความเป็นผู้มีโภคะนะ ก็คือเหมือนกับที่พระให้ศีลนะนะศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโพคสัมปทาเหมืนนศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีหลังวิโสทายีผู้ใดมีศีลศีเลนะสุขติงยันตินะตาแล้วก็ไปสู่สุขติสุขติก็คือมนุษย์กับเทวดาเป็นต้นศีเลนะโภคสัมปทารักษาศีลดีก็จะทําให้มีทรัพย์ศีเลนะนิพุติงยันตินะเมื่อรักษาศีลดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อไปนะว่าถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็จะทำให้เป็นผู้มีศีลเออรักษาศีลเพื่อให้มีศีลการไม่ดื่มเหล้าเนี่ยศีลข้ออื่นๆนี่ก็ทำให้รักษาได้ด้วยแลวก็อุชุคตาความเป็นผู้ซื่อตรงนะทำให้เป็นคนตรงแล้วก็อกัโกอโกธนตาความเป็นผู้ไม่โกรธ รักษาศีลข้อนี้ดีก็ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอต ป, ปะคนเมานี้ไม่มีหิริโอต ป, ปะจริงๆเลยแม้กระทั่งผ้านุ่งยังรักษาไม่ได้เลยนะถ้าเคยศึกษาในสภาขี้เล่าแล้วจะรู้ว่าแม้แกระทั่งผ้านุ่งในตัวยังรักษาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแล้วนั่นแหละแล้วต่อไปนะความเป็นผู้มีความเห็นตรงถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะทาให้มีทิฏฐิชุกกรรม ทําให้เห็นตรงสา ม, มารถที่จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นกรรมผลของกรรมเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญคุณของพ่อแม่เป็นต้นก็จะง่ายแต่ถ้าหากว่าดื่มสุราไปแล้วเนี่ยที่ถูชั่วกรรมเนี่ยไม่มีแล้วหายากต่อไปนะถ้าไม่ดื่มแล้วก็ทําให้เป็นผู้ที่มีใจใหญ่แบัไงใจใหญ่ในที่นี้ก็คือไม่ได้ไปฆ่าใครหรอกใจใหญ่ก็คือหมายถึงว่า สา ม, มารถที่จะเจริญกุศลให้มากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นอะ่ะต่อไปนะปัณฑิตาความเป็นผู้ฉลาดบัณฑิตนั่นเองสา ม, มารถที่จะเป็นบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้ฉลาดฉลาดในอะไรฉลาดในขันฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในฐานะและอาฐานะนะนี่เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นฉลาดฉลาดอย่างนั้น ฉลาดในขันอายตนปะปฏิจจสมุปบาทและฐานะอฐานะนะฐานะอฐานะเช่นอะไรบ้างไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยใช่ไหมที่พ ร, พระโสดาบันเนี่ยจะจะผิดศีลห้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ฐานะเป็นต้นนั่นเองต่อไปนะยี่สิบอาถานะถะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งไม่ใช่ประโยชน์นะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรมีรรมคุณค่าไม่มีคุณค่า แต่ถ้าเมาแล้วบางทีก็ไม่รู้อะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่คือภาพอันนี้นะถ้าผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผู้ที่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้เป็นเป็นอัธยาศัยหรือว่าเคยผิดศีลประเภทนี้มาม า, มากเวลามาศึกษาปุ๊บมันจะเห็นฝั่งตรงกันข้ามจริงมีชาดกมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ไดเอามากล่าวเพราะว่าเวลามันจากัดส <c oughs> ปีดนะดูเลยทีนี้ก็มาทั้งหมดนั้นก็คือเป็นเรื่องของกายนะเป็นเรื่องของกายซะส่วนใหญ่ก็คือฆ่าสัตว์ก็เป็นเรื่องของกายกรรมลักทรัพย์ก็เป็นกายกรรมนะผิดศีลข้อ3ามก็เป็นกายกรรมแล้วก็ดื่มสุราก็เป็นกายกรรมด้วยนั่นแหละ